รักพุทธศาสนาลงชื่อกรรมหมดรวบรวมไว้หมดในยอดพุทธศาสนาลงชื่อกรรมใครเป็นผู้ทํากรรมก็ขึ้นมโนภุมิธรรมขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาขึ้นว่าตามนี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประคาใจเป็นโรงงานใหญ่โตเรียกว่าใจคือมหาเหตุอยื่ที่งานหมด จะขึ้นจากใจจะแสดงออกไปทางดีทางทั่วขึ้นจากใจ ท, ทั้นนั้นท่านจุงสอนโลให้มองดูใจตัวเองทุกคนมองตั้งแต่ข้างในนีออกไปข้างนอกจะเห็นตลอดทั่วถึงไปนยำหนักตามอำนาจแห่งการที่เจริญนาของผู้ทึดผ่านใจจองต่างๆซึ่งออกไปจากใจนั้นเ่ย